สมมตินี่มีจิตเป็นผู้รองรับรับทราบว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกนอกนั้นไม่มีใญรรับทราบว่าอะไรมีหรือไม่มีสุขทุกประการใดไม่มีสิ่งใดรับทราบนอกจา ก, กจิตทั้งจิตสัตว์จิตบุคคล ธรมาจิตก็คือตัวรู้มีตัวรู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือไม่สัมผัสอีกนี้สามารถรับทราบได้และสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตก็ไม่มีอะไรที่เกินทีนเลย ตามหลักธรรมท่านให้ชื่อไว้รวมๆ ว, ว, ว่ากิเลสมีกี่ประเภทก็รวมอยู่ที่จิตแสดงออกที่จิตจิตจริงเป็นสถานที่แสดงเป็นสถานทีู่่ของจิตอย่างพร้อมมุอไม่มีเวลาบกบางรวมเวลาสงบก็เข้าไปอยู่ในจิตไม่เสีย เวลาแสดงตัวออกมาก็แสดงออกมาจากที่นั่นหากไม่มีการชำระแก้ไขด้วยแล้วแปลว่าอนันตการระหว่างจิตกับที่เละ ก, ก็ไม่จิดจะเรียกว่านันตะิตก็ไม่จิดคือหาการหาเวลาไม่ได้เลยที่เละไม่เคยหลุดลอยออกจากใใจิตใจ โดยไม่มีการชำระตัดแปลงแก้ไขแต่การสั่งสมตัวของกิเลสนั้นสั่งสมอยู่เป็นประจำที่จะทำงานเพื่อการพ่าตนจากจิตนั้นกิเลสไม่ไม่เคยทำไม่เคยมีและไม่เคยให้มี เป็นสิ่งที่หลังแน่นอยู่ภานจิตดวงเดียวนี้สทนั้นไม่ว่าจิตสาตว์จิตบุคคลวิเลกเกิดได้ทั้งนั้นสแสดงได้ทั้งนั้นภัยของจิตที่มีวิเลสอย่างเดียวเป็นสำคัญลักเน่ า, าข้อมูลของจิตของวิเลส พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้แล้วอย่างละเอียดลออวิชาปฏิยาสร้างขาราเป็นต้นนี่คือรากเงาเข้อมูลของกิเลสโ ด, ดยแทะ <c oughs> แยกแขนงออกไปเป็นความโลภความโกรกความหลงความรักความชังเหล่านั้นเป็นแขนงออกไปแต่ละแขนงยังแยกเป็นแขนงยย่อยออกไปอีกมากมายจนหาประมาณไม่ได้ เหมือนต้นไม้แต่ละต้นแต่กิ่งใหญ่กิ่งเล็กเล็กเป็นลําดับลาดาลงไปรอบลต้นของมันยังแต่กิ่งใหญ่กิ่งเดียวเราไปนับขแขนงเล็กของมันก็ไม่มีการชิ้นส่วนยุติลงได้เพราะมีมากต่อมากกิ่งของกิเลสที่แตกจากกิ่งใหญ่ของมันเช่นแต่จากความโลภความโกรธความหลงแต่ละกิ่งใหญ่ๆนี้ก็พอตัว และทุกจรไม้ว่าจรใงใ่จรด้อยไม้ว่ารัากเน่าเข้ามูลของมันด้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวพิษตัวพ่ายจิตฝังจงอยู่ภาในใจิตใจและแสดงตัวอยู่กับจิตใจนี้ทั้งมวลไม่มีสถานที่อื่นใดที่จะแสดงเรื่อง ขงิเลสออบได้นอกจากใจเท่านั้นแสดงออกได้ที่ใจเพราะกิเลสดีที่ใจด้วยเหตุนี้การแก้กิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะความฝังจมนั้นเป็นสิ่งที่ลึกมากถ้าเราจะเทียบทางลึกลึกจนหาประมาณไม่ได้ว่าลึกขนาดไหนจมลงอย่างมิดมองไม่เห็นเลย ภพชาติที่เคยเกิดมามากน้อยในจิตดว ง, งหนึ่งนั้นไม่สามารถจะนับอ่านเป็นเองได้เพราะลึกต่อแสนลึกมากต่อมากและผลของมันที่แสดงเป็นความพุกร้อนออกมาแต่ละภพละชาติมันก็มีมากต่อมากไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยเนื่องจากความฝังลึกของจิตหลีความ แล้วผิดตัวออกมาเป็นความฝังลึกในชาติในภพในทุกน้อยใหญ่ต่างๆมันมีอยู่เป็นประจำแล้วผิดอยู่เป็นประจำการแก้ไขถอดถอนที่เลยจึงเป็นเรื่องใหญ่โตผู้ที่จะมาเป็นศาสดราดวนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ตั้งทาต่างทางเตรียมพร้อมมาเป็นเวลานาน ไม่จะอยู่เฉยๆก็เป็นบารมีขึ้นมาแต่ละประเภทประเภทของบารมีนั้นๆต้องในตังหาตัาตาสร้างจริงๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มส ต, ติกำลังความสามารถโดยลำดับลำดาพอยิ่งสร้างเป็นมากเท่าไหร่ขอยิอ่งยิง คามวิ่งเต่นขวันขวายมากขึ้นอย่างนั้นเพื่อให้พอกับหรือเพื่อให้เป็นกำลังที่จะถอดถอนสิ่งที่สังจมอย่างลึกลับหรืออย่างลึกซึ้งนี้ให้ตื้นขึ้นมาย่านเข้ามาพบธาตุวันที่จะมากเต็มภูมิของมันก็ให้ลดน้อยลงมาลดน้อยลงมา ดางพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเด่นทั้งนั้นพูดถึงการให้ทานก็ลือโลกไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าครั้งเป็นภเวสัน ด, ดรือจะเสียสละโดยสิ้นเถื่อ อนุชาสิ้นพระองค์ก็ทรงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างความลำบากลําบนที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ใ น, ในยานนั้นจกนกระทัางได้มาเป็นจิตตสาราชทุกติมานเป็นพระชาติสุดท้ายมีเสียสละหมดเสียสละทั้งทั้งที่ท <c oughs> ยังมีความห่วใยเสียไดายพระนาาจะสมบัติประส า, านทุก มาเดือนบริษัทปริวารใกล้ๆาประชาธิปไตยออกเป็นหนึ่งว่าขั่วพระไทยจะหลุดรอยออกไปตามๆ ก, กันกับสิ่งที่เสียสลัดนั้นพระองค์ก็ทรงยอมรับและตัดพระไทยไปด้วยความฝ่าฝืนนีละพระเด็กไปด้วยความยากความลำบากมีด้วยแล้วแต่เป็นประโยชน์พยายามแห่งการ ขอนถอนกิเลสออกจากใจทั้งหมวลไม่มีประโยคใดที่ประพุทธเจากจะทรงได้รับความย่อหย่อนผ่อนตนจากกิเลสบ้าให้ฝืนไม่ให้อดทนไม่ให้เข้มแข็งไม่ให้บึกบึนบนนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องใช้กำลังบึกบึนด้วยกันทั้งนั้น เวลาทรงบำเพ็ญพระองค์กทุกยากําบากแสนสาหาัสทุกพรยาบตุตจะภรยาบทใดเลยเป็นความสะดวจสบายทั้งความเป็นอยู่ธรรมดาทั้งประโยคแห่งความภาคเพียรมีแต่เป็นไปได้หมุนไปตามความมุ่งมั่นที่จะได้แต่จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น กำลังบังชาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเข้ามาผูกความภาพเปลี่ยนทั้งหมดเป็นหรือตายก็ต้องทุ่มเข้ามาไม่ถือความเป็นความตายเป็นสิ่งที่มีสาระคุ่มมากกว่าธรรมที่พระองค์ทรงมุ่งหวังคือเดินแห่งความต ร, รัสรู้เป็นศาสดาของโลกและเป็นสยามภู ด, ด้วยตามหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องรู้เองเรียนเองรู้เอง ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะมาสั่งสอนภูมิทั้งศาสดานั้นได้นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ตะเกียบตะกายทุกแง่ทุกมีดังที่จงบำเ พ, พ็ญพิผิประธาส ม, มาบ้างนันย่อมถือเป็นธรรมดาของสยมภูมิ ที่จะตฏดบัติดยลำพังพระองค์เองให้ทรงเสาะแสวงหาอันเป็นความสมหวังจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นความที่ตะเกียบตะกายโดยลำพังพระองค์มันต้องทรงทาความเพียรด้วยวิธีการต่างๆเช่นอดพระทรงอดพระพยาหารถึงสี่สิบเก้าวัน แต่การอดพระกาหารสี่สิบเก้าวันนั้นเพราะเกียกันมาของพระองค์กับพวกเราทั้งหลายที่อดนี้มีผิดกันหนมากการอดพระกาหารของพระองค์นั้นเพื่อความตรัสรู้ด้วยวิธีการนั้นจริงๆนั่นมีอิตธิพลน า, าเข้าเพื่อแฝงเลยจึงผิดกันที่ตรงนี้แต่สิ่งที่ เหมาะสมกับกิจกรรมานาที่จะเป็นไปไ ด, ด้วยความสะดวกสบายนันก็ไม่พ้นจากการที่ทรงอดพระกยาหารผ่านมาแล้วนั่นเลแจะเห็นได้เวลาพระองค์เขื่อพระกยาหารในวันเดือนหกเพ็นที่ทรงอดมาได้สี่สิเก้าวันแล้ววันนั้นเป็นวันคำลบที่สักห้าสิบปัน ก็เสวยพระภยาฐานของนางศิชาดาแล้วก็หมุนเข้าทางยิปตะภารนาทรงถืออนาปานสติเป็นหลักของการภาวนาซึ่งเป็นความถูกต้อง ตามหลักการที่จะให้จัสรู้ได้พระองค์จึงทรงรู้ได้โดยลําดับนับแต่ปฐมฌานทุติยฌานหรือปฐมยะปฐมยามมัติมยามปัจฉิมยา ม, ม, ยามและทรงรู้ไปโดยลําดับตลำดับถึงคําละเอียดละออนโดยนั่งจัดรู้ธรรมในคืนวันเดือนสกเปลี่นนั้นนี้ก็ ที่เกี่ยวกับการอดพระกาอาหารก่อคือตอนนั้นพระองค์ไม่มีกําลังอะไรที่จะมาทับถมในทางร่างกายเลยมีแต่พระจิตรวนรวนซึ่งพร้อมที่จะรับทำอันถูกต้องหรือรับการนาเนินและทำอันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อกําหนดอนาปานัติิลงไปพระจิตจึงมีความละเอียดละออนเข้าไปโดยลําดับอย่างรวดเร็ว ทางร่างกายก็พร้อมแล้วไม่มีคำว่าเป็นไทยไม่มีคำว่าเป็นการทับถมอิกใจให้อึดอาดเหนื่อยนายลำบากลำบนมีแต่ความคล่องแคล่วภายในจิตคือภายในภคิจของผู้อเกี่ยวกับการนำเนินพิจารณาทางด้านจิตตาภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงไม่ตราะรูขึ้นมาหาพระองค์ทรง พิจารณาอนาอนปานสาติตั้งแต่ระยะที่กำลังทรงอุดภกยกายฐารอยู่นั้นก็ไม่น่าจะผิดพลาดมาเป็นเวลานานอาจได้จัดสรุก่อนหน้านั้นเลยซ้ำและะ้วกระดุความในการบาเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ละเอียดละออ ทุกขุมควมผีรภาพแต่พูดที่มีหน้าที่การงานแับหยาบก็ไม่มีมีแต่ความละเอียดละออพระกาหารที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เสด็จไปมามีแต่ความราบลื่นเรียงามด้วยการตกแต่งจากไฟฟ้าประชาชีที่เขาถือว่าเป็นสมมุติทิเ ทเทวดาโดยสมมุติได้แจกพระเจ้าแผ่นดิพระเจ้าแผ่ดนผดินองค์พระองค์จึงไม่ทรงมีอะไรลำบากลำบนทางพะกาแต่เวลาทรงอ อ, ออกพระเดชออกกระหนวดทรงบำเพ็ญพระองพระกายนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับพุทบุตรที่ถูกเตะถูกปิ้งกันอยูตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่สเสด็จออกกระหนวด จ, จะไม่รับความสะดวกสบายอะไรจากอาหาร กาบริโภคที่หยิบยาใช้เครื่องมือหุ่นใช้สอยยาแก้โรคแก้ภัยใดทั้งสิ้นมีความบีบบังคับทั้งส่วนร่ากายของพระองค์และภายในพระไทยถูกบีบบังคับอยู่ด้วยสิ่งสัมผัสต่างๆบีบบังคับอยู่ด้วยความหิวความกระหายความลำบากลำบนในทางร่างกายบีบบังคับด้วยความหงดุดหงิดผัวพัน เกี่ยวกับตีบ้านการเมืองที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปกครองมาเป็นเวลานานซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมหาศาลตามโลกสมมติยุพระองค์ก็ทรงตัดเพราะเหตุ น, นั้นจึงต้องได้รับความลำบากกรบมบุญทั้งทางพระกายและพระกิจกว่าจะได้มา จ, าจรัสรู้ก็เป็นเวลาหกปี ลงตกนรกทั้งเป็นอยู่นั <c> ้น <oughs> พอผ่านหกปีมาแล้วพระกายก็เคยชินต่อสิ่งเกี่ยวข้อ ง, งต่างๆคืออาหารตัไใจทั้งหลายแล้วก็เริ่มมีขึ้นมาเนื่องจากที่เขาได้ทราบว่าพระพุทธเพระสมณพระสิทธิธราสราชาราชที่ล่มาเนจากจะรู้เป็นพระพุทธิจาขึ้นมาแล้วและประกาศธรรม ให้เกิดความเชื่อมความเชื่อความนิมรรมสัยแก่ประชาชนผู้มีปณิสัยปัจจัยที่ควรจรับธรรมนั้นๆ่นอยู่แล้วทางพระจิตก็ได้จัดสรู้แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าบีบบังคับพระองค์เหมือนอย่างแต่ก่อนหากว่าจะได้ไรับความสะดวกทางพระกายก็ได้รับสะดวกได้รับความสะดวกรับรังจากการจัดสรู้แล้วรับความสะดวกทางพระภัยก็ได้รับ หลังจากการตรับกระดูแลที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ล้วนแล้วตั้งเป็นความตะเกียบตะกายเป็นวิธีการแห่งการลบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นจยนวัฏฏะวลสังอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่ใช่เป็นของที่จะถอดถอนได้อย่างง่ายดายพอจะตักเอาตวงเอาเหมือนนะ้ำเหมือนท่า มีเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูจงพยายามเดินตามร่อง้อยของพระพุทธเจ้าหากจะเกิดความลำบากลำบนขึ้นมาจะทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออันจะเป็นฝ่ายที่หลุดได้รับได้เกียรติก็ขอให้คิดตัวลิกตัวเสียใหม่ด้วยอจด้วยทมโดยนำพระพุทธเจ้ามาเป็นเสมิทั้งทา ง, ทงด้านจิตใจและการดาเนินตาม ทำเกิดขึ้นมาจากความลำบากลำบนของพระพุทธเจา้าถ้าสงสารโลกที่เหลืเราทั้งหลายด้วยารอ้างเป็นเจริอยู่นิ่ง้วนได้แต่เป็นผู้เดินตายมาด้วยการแทบทั้งนั้นเราจงไม่ควรถือว่าว่าทำจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะอำนาจของที่เหลืที่ปิดบังอยู่นั้นจะเปิดช่องเปิดทางให้เองให้ให้เองโดยไม่ต้องบำเพ็ญสิ่งใด หรือเปิดทางให้เองเพราะความดำบิดความคิดต้องการอยากได้รู้อยากรู้อยากเห็นทำเท่านั้นตองเรามีการต่อสู้กับกิเลส <c oughs> เป็นระยะระยะตามขัน้นภูมิของมันความหนักเบาของการต่อสู้กิเลสก็ต้องหนักเบาไปตามกําลังของกิเลสที่มีหนาบางมากน้อยลุกต้นอยากละเอียดแค่ไหนนั่นแหละจึง <c oughs> ไม่ควรนําความพ้อแท้อ่อนแอทางด้านจิตใจเข้าไปเป็นเครื่องมือ ปราบพิเรจะ ก, กลายเป็นเครื่องมือเสริมพิเรศโดยไม่รู้สึกตัวเครื่องมือปราบิเรศต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรความอดทนความพิลิตพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุหาผลที่ความตดเพื่อต่อยวางดูซ้ำหนูเป็นผู้ไม่นอนใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ที่ถูกทางกาลังดําเนินอยู่ ตามหลักธรรมนี้ไม่มีอะไรเสียหายจะเป็นทุกข์ในยาบทใดก็าตามทุกข์ด้วยวิธีการต่อสู้กับที่เด็ดประเภทใดก็าตามไม่มีความเสียหายทั้งนั้นนอกจากทุกข์ในเรื่องผิดทางเป็นความเสียเป็นความลำบากต่อเปล่ามีเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วอุบายวิธีการต่อสู้กับที่เด็ที่แก้ไขผด ถ, ถอนที่เด็ดนะั้นผดถอนีิธีใดแก้ไขวีใด จึงไม่ควรสงสัยในคำสั่งสงอนที่ท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วโดวยเป็นส่วขาตรรมจากว้ชอบมีที่เล็กมีเท่านั้นเป็นตัวการหมูนจิตหมูนใจให้รับความล ำ, ลำบากลำบุญให้รักให้ทางให้เสียดให้โกรธ ยินลีในสิ่งนั้นไม่ยินลีในสิ่งนี้ให้ประยุทธ์อารมณ์นั้นปรุงอารมณ์นี้ขึ้นมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอินดวงได้ แ, แต่เป็นพิษเป็นภัยนี่แต่กิเลสที่ยอย่างเดียวยึดถือความสงบปุบไม่ได้เพราะอนาตของกิเลสบีบบังคับให้หมุวนไปเปลี่ยนมาอยู่ชนั้นไม่แพ่อะไรเป็นเครื่องบีบังคับหากว่าเราทอดแทร่อ่อนแอต่อความเพียรที่จะถอดถอนนิกเจก้ไข ตัวเองเพื่อที่จะได้ลดน้อยลงไปจนถึงขั้นหมดไปถือเป็นความลําบากขมบุแล้วก็ไม่มีทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ได้เลยนี่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากสําหรับเราผู้เป็นนัองหมวดเพื่อความพ้นทุกข์ทุกนี้มันมีสิ่งที่น่าสงสัยทุกในกายก็เหยียบย่ําทําลายเราอยู่ตลอดเวลาสงสัยที่ตรงไหนทุกมากทุกน้อยย่อมเคยเประสบพเห็นมาด้วยกัน จะเป็นการเจ็บไข้โดยป่วยเจ็บหัวตัวร้อนประการใดมันก็เป็นเรื่องของทุกขทั้งมวลหิ้วกะหายก็เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งหมดในเอียบทตรต่างๆที่ไม่สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบกัะเทือนร่างกายเ้ว่อนแ d e a จ h แต่ทำร่าง ก, กายนี้ให้เกิดความทุกข์ให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจึงไม่น่าสงสัยที่ตรงไหน ว่าจะมีของดีของดีภายในร่างกาย น, นอกจากเป็นเดือนของทุกข์โดยไถ่ยเยียวเท่านั้นส่วนสุขไม่ค่อยปรากฏในร่างกายมันมีแต่ความทุกข์เด่นอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั้นปวดนี้ร้อนแสบตะเสียนร่างกายถ้าจิตก็ลุ่มหลงเป็นกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายนี้ด้วยแล้วก็ย่อมเป็นภยัยแก่จิตใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งเป็นโรคสองครั้งขึ้นมาเป็นโรคกังวลโรควุ่นวายายเสด อยากให้หายอย า, หนนอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากดีสบายนี่แต่ความอยากอันเป็นเรื่องของจิตเดชเข้าบีบคัน้นเรื่องของจิตเดชไม่เคยสร้างคุณงามความดีและความถูกความไปเดิยเป็นที่สมหวังให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเราจรึงไม่ควรสงสัยไม่ควรที่จะไปเชื่อจิตเดชอยู่ตลอดไปทำทั้งหมดนี้เพื่อให้รู้กลมายาของจิตเดชทั้งหมดไมนจะทาเป็นเครื่องหลอกลวงให้หลงตามกลมจิเดช กลมมาาของจิตเดแต่เป็นเพื่อให้รู้กลมมายาของจิตเดทุกประเภทที่สแสดงนี้ทํางานอยู่ภายในจิตใจของตนผู้ปฏิบัติตจงดูจุดนี้ให้ละเอียดละออและสม่ําเสมอทุกอิยาบททุกอาการที่เคลื่อนไหวมีสติเป็นเครื่องยืนยันในความเพี่ยนของตนอันนั้นกับปัญญาที่จะมาแต่งตัวยาได้ปล่อยวาง มันไม่มีอายสงสัยแล้วแหละสําหรับโลก น, นี้มีเแค่เรื่องเมื่อความเกิดเป็นตัวเหตุแล้วเรความแก่เจ็บตายก็ตามกันมาซึ่งร้อนแล้วจนแต่หาถามฟุกมาเต็มตัวเต็มตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ละอาการที่แสดงตัวออกมาให้ผิดปกติมีแต่เป็นเรื่องหาถามของฟุกมาทับโถมโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงไม่ควรจะสงสัย เหนือนที่ว่าทุกไม่มีอะไรจะทุกจะรับยืนกันทุกได้เหมือนจิตจิตนี้ทุกทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบของตนเช่นร่างกายสมบัติต่างๆเป็นผู้รับจิตเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติภายนอกไม่ขาดสมบัติภ า, ายในร่างกายนี้จิตนี้ถือเป็นความสนิทสนมกลมเกลื่อนป็นหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันกับตนจริงๆ นี่ยิ่งเป็นความกังวลของใดจนกลายเป็นสันธธญชากิยานขึ้นมาเพราะขี้เลศเสริมให้เป็นนอกจากพระหลานตอนนั้นจะมีแต่สัธธญชาติยาณล้วนๆไม่มีอุปทานไม่มีขี้เลศพาให้เป็นผิดกันที่ตรงนี้เท่านั้นแล้วทําไมจะไม่เกิดความทุกข์มาเป็นที่นั่นแล้วทุกต้องเกลียดแทนกิจตลอดเวลาเพราะขีเลศยื่นให้เสมอยื่นให้เสมอล้วนแล้วตั้งแต่แตั้งแต่ยาพิษเรายังไม่รู้ เห็นคุณมายาของมันแล้วก็จะแหวกทางจากมันไปได้อย่างไรคุณต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิิพิจาณาให้เรามีงานอันเดียวเท่านี้เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความเพียรของเราที่การงานอื่นมีผู้รับรองไว้หมดชีวิตชีวาฝากไว้กับญาติกับโยมประชาชนศรัทธาทั้งหลายบุญใจบุญมีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรานี้เป็นแดนพุทธศาสนาเป็นแดนแห่งคนใจบุญ คือบริ ษ, ษัทะหนาอยู่แล้วจินไม่ควรคิดว่ากลัวตายด้วยความอุจาขาดแค้ในปัจจัยทั้งสิง่ให้กลัวตั้งแต่นี้ไม่จะไม่พ้นจากทุกข์ที่บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจนี้เป็นสำคัญมากยิ่งกว่าความกลัวความกังวลกับสิ่งอื่นใดงานการอันใดก็โลกเขาก็ทำอยู่แล้วไม่ควรจะไปกังวลงานการทิ่เป็นเรื่องถอนถอน กิเลสทั้งหมดตาดใจนี้เป็นงานสําคัญมากเฉพาะอย่างนี้น้ำบวชเราเป็นงานที่ถือเป็นงานเยี่ยมที่สุดเป็นงานหลักจิต ห, หลักใจเป็นงานประจําชีวิตชีวาจริงๆไม่ใช่งานเล็กน้อยต้งพยายามทํางานทั้งตนให้สมบูรณ์เริ่มต้นตั้งแต่ทําจิตให้สงบยิตทําไมจะสงบไม่ได้เราทราบอยู่แล้วว่าจิตสงบไม่ได้เพราะอารมณ์ ความคิดความปรุงความแต่งความต้องกันมากงหมายทั้งอารมณ์อดีตอารมณ์มนาคกสคว้าเอามายุ่งอยู่ภายใน จ, จิตใจเป็นผู้ทำงานจึงหาเวลาว่างมาได้สล้หนับงานของจิที่จะต้องหดตัวลงไปไม่มีถ้าไม่ทำให้มีด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการพิจารณาการภาวนาการภาวนาเบื้องต้นแล้วก็เอางานทางด้านธรรมะเข้าไปทับ หรือแทนที่งานของพิเรศงานพิเรศคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อสังสมตัวตึงขึ้นมาให้มีพลังมากแต่งานของธรรมเช่นงานบริกรรมพุทโธธรรมโอสังโฆบุตรไก่ก็ตามแม้จะเป็นงานก็ตามแต่นี่เป็นงานทางด้านธรรมะเพื่อจะทําจิตใจของเราให้สงบให้เน้นหนักลงไปในงานอันนี้เปลี่ยนงานจากเรื่องงานของพเรศเข้ามาเป็นงานของธรรมแมจะเป็น เครื่องตรากตามกิเลสหรือทำกิเลสให้สงบสุวเงนได้ด้วยงานประเภทนี้คืองานบริกรรมภาวนาเราให้จินให้จังยาเราหลอกเล่หล็นั้นไม่ใช่ทางของนักบวชผู้ปฏิบัติและไม่ใช่เรื่องของศาสนธรรมความเลีเหลวไลายๆโยโย่คลอนคลอดความเอาจริงหาจริงหาจังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสดูฉากหลังทั้งนั้น เรียนเข้าไปเรียนเรื่องของกิเลสจะไม่ทราบเรื่องของกิไม่หนึถ้าตั้งใจเรียนจริงๆมันมีอยู่ทุกระยะทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเราก็หลงกลมายาขมันอยู่ตลอดไม่ว่ากลมยาหยาบกลางละเอียดหลงได้ทั้งนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทัดด้วยอย่างนี้จึงต้องสร้งสมสติปัญญาศรัทธาควเปลี่ยนทั้ามาโดยลํำดับําัๆจนมีกําลังเต็มตัวพูดถึงสมาธิก็เอาให้สั้งไม่นอกเหนือไป จากอำนาจแห่งธรรมที่นำมาใช้มาปฏิบัติม่ได้อยู่ตรงนี้เอาให้จริงให้จรงจนมีความสงบได้มันจะผ่าปน โ, ปโลเ้นขนาดไหนก็เถ อ, อิดริงเพราะอำนาจของที่พาให้เป็นจะไม่นอกเหนือไปจากธรรมคือวิเรียวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมไปได้เลยอันนี้เราเป็นเครื่องปราบี่เรธถ้าพากันนาเข้ามาใกล้คิดติด กับใจของตนอยู่เสม อ, อยาได้ปล่อยวางยาได้ห่างเหินทําแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมพาเราให้หลุดพ้นจากแบรนแห่งนรกทั้งเป็นทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจของเราเองจนมันสงบเมื่อจิตมีความสงบได้มากน้อยเย่างไร ห, หลังจากนั้นแล้วให้ให้ยานําจิตออกพิจารณาทางด้านปัญญาอย่าไปถือขั้นนั้นขั้นนี้ของสมาธิ ว่าควรแกะปัญญาหรือไม่ควรแกะปัญญาให้ถือเรื่องความสงบหยุดสงบมากน้อยมีความอิจตัวให้ปรากฏไม่ให้หงุดหงกับอารมณ์ต่างๆเพราะความสงบคือความคืออะปวัชารุ้อันสําคัญของจิตแต่เมื่แล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาร่างกายของเรานี่นหละเป็นต้นเหตุสําคัญยิ่งกว่าอื่นแต่ก็มาได้ปฏิเสธว่าสิ่งภายนอกให้ไม่สําคัญ มุ่หมายถึงร่างกายของเราเป็นสํคาคัญอันดับอันดับหนึ่งมันก็ให้าาพิจารณาเป็กายเวทนาจิตธรรมความหมายถึงกายของเวทนาจิตธรรมของแต่ละหลายหลายอย่างผู้ประกอบความภาคเปลี่ยนัไปเป็นหลักเป็นที่ตั้งอาพิจารณาลงแต่พิจารณาทางร่างกายดูเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังผมขนใน่ฟันหนังเป็นของสวยงามที่ตรงไหน รู้ให้มันชัดเจนตามหลักความอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาปลอมตัวเข้ามามันปลอมตัวเข้ามาว่านั้นสวยนีงามว่าผมงามขนงามเล็กนะสวยงามผิวสวยงามเนื้อหนังบางสังสวยงามอวัยวะทั้งตัวนี่สวยงามทั้งภายในภายนอกมันเหมามันเสกเข้าไปได้หมดว่านั้นก็สวยงามนี่ก็สวยงามโรคก็ตรวจโคภูมิลังขนาดไหนจนจะดูไม่ได้มันก็เส็กสังแน่ว่าสวยงาม นี่คือกลมายาสมสิเดชทั้งหมดความปีนอภิจญญาลงไปจับตรงไหนจับให้แน่นดั่งให้รู้อยู่ตรงนั้นอยาเสียดายความรู้นี้เพื่อไปรู้อันไหนอีกในขณะที่พิจารณาให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับสิ่งนั้นจริงจริงพิจารณาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังอะไรกต่ามที่มีความถนัดกับกระดิ่งของตอนแล้วให้กําหนดพิจารณาจากนั้นเป็นติดแรกเหมือนกับไฟที่จ่อเข้าเป็นในเ ช, ชื่อกของไฟ ต่อเขไปแล้วมันจะค่อยตาปลดเป็นไปขึ้นมาแล้วจะลุกลามไปตามเชือกของมันที่มีมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนมีปัญญาก็เหมือนกันปัญญานี่เหมือนไฟเผาที่เดษนั่นแหละพิเดษมันปลอมไว้ตรงไหนมันปักมีนปันเสียดแรงไว้ตรงไหนมันเสียดมันแทงไว้ที่ตรงไหนปากเสียบไว้ที่ตรงไหนพิจานาเข้าไปเฉพาะอย่างนี้หลังเป็นสําคัญ มันหุ้มห่อร่างกายของเรามีให้หลงอยังแบบรงนิดไปได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเคยเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คือความจําความของกิเลสมีความกินของทำดูให้ดีตั้งแต่ผิวแท้ๆผิวหนังว่าเป็นของสาดสวยงามมันสวยงามอะไรเต็มเพื่อที่หมูที่ใครคือขี้ทั้งนั้นเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นความบางของมันผิวบางแต่ว่าผิวหนังพอผิวมันถลอกไปนิดเท่นั้นก็เยิ้มออกมาใน มันรดาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มเ ม, มื่อพิป่ปาถนาทั้งหลายจะเยิ้มออกมาเลย <ś les> เห็นเลือดะปุโปรหิตแต่ยินตายไปแล้วก็ปุโปรหิตน้ำเน่าน้ำหนองพูกพองเต็มไปหมดข้างล่างแม้แต่หนังที่ว่าสวยๆสงางามก็เป็นตัวผู้ตัวพองตัวเน่าตัวเหม็นเหมือนกันไปหมดกับสิ่งภายในที่มันหุ่มห่อเอาไว้อันมันสวยงามที่ตรงไหนนี่ะไรปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้แม้ยาเสียดายความชุกความปุงไปใน ในแง่อื่นให้ต้องหวนความคิดนี้ให้เข้าอยู่ในจุดปัจจุบันมิตรสติาตฐานสีคือกายดูให้ดีดูไปตลอดทั่วถึงให้จิตเทินอยู่นั้นบางคับนั่นเรียกว่าปัญญาในขั้นเริมแรกที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นบางคับให้ทํางานให้รู้ให้พิจารณายาเสียดายความคิดความปรุงที่เคยเคิดเคยปรุงกับเรื่องนั้นเรื่งนมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่เราภาวนา อ, อย่างนี้ไปเสียดายมาอะไร ความเจตนาถึงนั้นก็คือถูกพิเรฒมันฉุดมันล้าออกไปนั่นแหละชุดขนาดไหนก็ไม่ไปจะเอาตรงนี้ทําสอนรูดลงที่ตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้เอาพิจารณาตั้งแต่ตัวที่แบบมันสวยๆงามๆผิวผีมานนี่แล้วสุดท้ายมันก็เป็นหย่ียวกันหมดกับภายในยิ่งพิจารณาเข้าภายในมากจนไรแล้วมันดูได้เมื่อไรร่างกายของคนเราคนหนึ่งมันนี่เราฝืนความจริงปหา ดูใ่้มันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วจิตที้จะเกิดความสะโดสังเวชภายในตัวเองเกิดความสะดสังเวชเพราะการเห็นความจริงมากน้อนเนยเทียไหร่จิตจะยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มยิ่งเบาหูหูหูอืมไปโดยลําดับลําดาที่ดูที่เห็นที่ปัญญาซึมอทราบเข้าไปนั่นแหละมันยี่ซึ้งซึ้งไปเรื่อยจากนั้นก็กำน้ําหนึ่ลงไปจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ ผู้พองหนองไหลไปแล้วยังต้องแตกประจัดกระจายออกจากกันออกจากส่วนผสมของมันกลายเป็นชาตอสุกไปหมดทั้งร่างกายแล้วมาแตกไปตรงไหนกลายเป็นชาตอสุกไปทั้งนั้นเป็นของปฏิกูลโสโครกไปทั้งหมดอยู่ในกายก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแตกออกไปจากกายสิ้นเป็นกองโ ส, สมกบโสมหมมิแล้วก็จะก็กลายเป็นสิ่งโสมกบเลอะเลอ ะ, ะไปหมดเลอะเทอะไปหมดเลยอด้วย ดังนั้นก็ค่อยเหี่ยวค่อยแห้งลงไปตามสภาพของมันอันนี้น้ำที่มันเดิมอยู่ด้วยคําเนอกอยู่กับสิ่งที่เน่าที่เหม็นมนั้นมันก็ค่อยแห้งเหือดแห้งของมันไปดินก็ค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปรูปร่างต่างๆของสกุลกาที่แต ก, กกระจายไปนี้ก็เปลี่ยนสักผิวพันเปลี่ยนสีสันมันละเปลี่ยนสภาพขหงตัวเองไปโดยลําดับลาดั จนกายเป็นเรื่องแห้งกรอบไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ส่วนเคียงแข็ง่ีตืมภาพกลมกลืน ก, กันไปกับแผ่นดินส่วนน้ําก็ค่อยๆแห้งออกไปจากร่างกายเป็นไอไปตามอากาศตืมภาพตรงนี้แผ่นดินมีตามสภาพของมันเป็นอย่างนี้นส่วนลมไฟก็ไปตามสภาพของลมทางั้นเมื่อหมดความอบอุ่นแล้วไฟมันก็หมดไปลมหายใจเป็นต้องเอาหายใจมาจากไหนคนรตายแล้ว มันก็สลายของมันไปหมดแล้วอันใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามองดูแล้วเห็นแต่แผ่นดินทั้งแผ่นมันกรวมขึ้นเป็นอันเดียวแล้วกับแผ่นดินที่เราหยับย่ําไปมาอยู่นี้ถ้าวันน้ํามันก็กลายลงไปเป็นน้าแล้วน้ำนั้นหรือเป็นคนน้ำมันหรือเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตวเป็นบุคคลเป็นของสวยของงาถ้าน้ําเหล่านั้นเป็นของสวยของงามน้ําที่ไหนก็ต้องงามหมดสวยหมดปิดหมดเจ็บนี่ทำไมจีนมาหมายมั่นตั้นเงืออน น้ำที่คีเลศมันเฉดสันตัญยว่าเป็นจับเป็นบุคคลไม่ละอายคนบ้างเหรือะปัญญาเมื่อสอดแท้เข้าไปว่าดินก็แผ่นดินก็เหยียบไปมายัานี้แล้วร่างกายที่เป็นธาตุดินนี้มันผิดแปลกกันยังไงมันก็เป็นผิดแปลกกันเวลากลายจากสภาพนั้นความเฉดสันตัญยวนี้ลงไปแล้วก็ไปเป็นดินตามสาภาพเดิมนี่น้ำเห็นชาติเดียวกันลงถึงข น, นาด น, นี้แล้วจิตจะ เหมือนจะฮ่อเหินดินฟ้านั่นแหละความละเอียดละ อ, อของจิตความนิ่มนวลของจิตความซึ้งของจิตความผูกของจิตความส ล, สลดสังเวชของใจก็แสดงตัวอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่ไปโดยลําดับตำดับดที่นี้เรื่องอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นก็เมือมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเต็มไปด้วยของปฏิปุณโสโคกหลังจากนั้นก็เต็มไปด้วยดินน้ำนองใจขึ้นเป็นผ้าเดิมขอ เ, ขเล่า ไปติดมันอะไรนั่นเมื่อซึ่งแล้วก็ถอนความยึดมั่นถึงมั่นสำคัญผิดนั้นออกมาโดยลำดับลำดาเนี่ยพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าครั้งนี้พิจารณาอย่งนี้เป็นสิ่งที่ฝังลึกอย่างใจแล้วเป็นอัจฉริยะศรัทธาเชื่อมั่นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนที่พิจารณาเห็นแม้ ว, ว่าสิ่ง น, นี้เป็นนี้สิ่ง น, นั้นเป็นนั่นตามความจริงวันหลังพิจารณาอีกโดยไม่ต้องประยุกต์อารมณ์ที่เคยพิจารณามาแล้วความรู้ความเห็นที่เคยเป็นเคยไปผ่านมาแล้วนั้น เอาลักปัจจุบันเพืนผิดขึ้นมาอีกพิจารณาด้วยอุบ า, ายใดก็าตามไม่ต้องไปคาดเป็หมายของเก่าที่ออกมาพิจารณาแล้วว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วนั่นเป็นความคาดความหมายให้อย่างลุงในหลักปัจจุบันของคือร่างกายนั่อีกเท่านั้นแหะพิจารณาแต่อย่างนนีะเมื่อหลายครั้งหลายผลมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปชัดเจนเข้าไปแต่นั้นก็คร่องแคล่วคล่องตัว ตาที่อยู่มารวดเร็วขึ้นเป็นกำลังตำดาแล้งมองเห็นทั้งภายนอกภายในยเหมือนกันหมดถ้ายังไม่แตกก็มองเราเด่นในอวัยวะใดอวัยวะนั้นจะแสดงตัวขึ้นมาเห็นอย่างชัดเินทั้งภายในายภายนอกหเห็นหลังหูหอกหุ้มกระดูกหอกกระดูกก็เห็นเป็นหลังนั้น็เห็นร่างกระดูกก็เห็นเป็นบ้างกระดูกไป น, นถ้านเนื้อก็นสมีแต่เนื้อเต็มตัวแดงโล่งฉาบทาไปด้ว ผูกโพหุกน้ำนหน่นนนนนนอม น, นอ้หนามันมีความเฉียง่าความที่นรัตค่ายชอบใจที่ตรงไหนมีคือความคล่องแคล่วว่องไวของจิตจกเป็นไปงั้นจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เห็นได้อย่างชัดเจนประจำตัวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามอำ น, นาจของปัญญาที่มีความขลาดแหลมคมโดยลำหนะักแต่นั้นสิ่งอันนี้ก็กระจายหายไปไปหมดว่าเป็นร้างกระดูกก็ดีว่าเป็น อะไรก็ตามในอวัยวะส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนของใครก็ตามเลยค่อยกลายจางหายไปหายไปจากติดเปลี่ยนสภาพไปด้วยหน้าของปัญญาที่มีความละเอียดแต่โดยลำนับคำหนาคือท้ายสิ่นั้นก็หมดอุปทานนักขันคืออุปทานในรูปขันนี้้็หมดสิ่งที่มันสัมผัสัมพันธ์กันอยู่ในร่างกายนี้ก็คือเวทนาขัน เมื่ออันนี้มันละเอียดแล้วอลงไปจนกว่าแล้วทุกเวทนามันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาสิ้นซาทุกเวทนาในขันนีมันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปสิ้นซาภายในจิตใจของเราให้เกิดความทุกข์ความลำบากเพราะขันไม่สะดวกสบายเพราะขันเป็นทุกข์ได้เลยการพิจารณาขั้นนี้่เป็นขั้นที่ถ้าพูดถึงปัญญาก็ผาดโผนมากใช้กําลังอย่างบุกบิกจริงๆ อันเป็นปัญญาที่ผาดโผนมากถ้าเป็นการลบก็เรียกว่าตะลุมบอนกันอย่างเต็มที่ถห น, หนังบันไหยไปหมดเนี่ยถ้าเราจะเทียบออกไปสู่ภายนอกตอนปัญญาขั้นนี้พิจารณานี่คือปัญญามเมื่อจิตใจมีความเมื่อหิวอ่อนเพลียเพราะทำงานด้วยการพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยย่อมมีความอีดเหนื่อยเหน่อยเมื่ อ, อ, อ, อล้าเหมือนกันก็ต้องเข้าพักสมาธิ คำ ว, า, วาสมาธิพักคือพักสงบใจเคือกบบพักงานของใจให้เข้าสู่ความสงบปราศจากความคิดปรุงในดๆทั้งสิน่นเหลือแต่ความรูล้ล้วนๆหากมันไม่เข้าเราจะใช้คําบริกรรมคไราไหนก็ตามเท่าใช้ไม่ไม่มีคําว่าสูงเกินไปต่ําเกินไปเพราะทําท่านั้นะสูงต่ําที่ตรงไหนฝ่าเท้าเรากับหัวเรามันอยู่ด้วยกันในร่างอันเดียวกันมันสูงต่ำที่ตรงไห น, น อันนี้ือนกันเมื่อเรานําคําบริกรรมเข้ามาใช้กํากับจิตไม่เพื่อไม่ให้มันคิดมันปรุงไปกับเรื่องปัญญาเราก็นํามาใช้บงังคับให้จิตมีความสงออกตูว ด, ด้วยธรรมะจริงๆเหมือนเหมือนหนึ่งว่าเราไม่เคยใช้ทางปัญญาเลยคือไม่สนใจกับความคิดความปรุงด้วยปัญญาสนใจแต่ความความปรุงด้วยคําบริกรรมให้รู้อยู่เพียง อันเดียว น, นั้สำนึกติดสงบอี ก, พ อ, ก, อกพอสงบแล้วย่อมได้กําลังเพราะพักงานพอถอยอามาก็พิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ไม่ต้องห่วงสมาธิเอาให้เต็มเหนียวทางด้านปัญญาจะรู้จะเห็นสิ่งใดมากน้อยอย่ากละเอียดเพื่อนใดเอาให้เต็มจูงมือของปัญญาของสติที่กลมคืนไปนอย่างเดียวกันไปอยู่โดยลําดับลำดานั้นเนื้อความรู้จะชัดเข้าไปโดยลําดับแล้วเป็น ตามขั้นตามผูกทั้งหมดเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆ อ, อาการของสิ่งพิจารณาก็เปลี่ยนสภาพไปอากาอาการของปัญญามีปัญญาที่แสดงออกก็เปลี่ยนสภาพไปจากความอย า, า, ากเข้าสู่ความละเอียดละเอียดลเลื่อยไปโดยลาดับธรรมดาเราพูดถึง่งการพิจารณารู ป, ปขันเทศนาขันก็ดังที่เคยอธิบายมาแล้วกี่ครั้งปี่หนม่นันเป็นบาทเป็นฐานเป็นแนวทางที่จะให้ผูก ผู้อบรมทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนให้เป็นผลประโยชน์ขึ้นมาจากการจากการจากงานของตนจริงไม่ใช่เพียงจะมายึดเอาแนวทางท่านแตเป็นสมบัติของตัวเองนั่นมันกลายเป็นปริ ย, ยัตกลายเป็นความจําประเชียดไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาที่จะเข้าสู่ความจริงการที่จะมาเพื่อเพื่อเห็นความจริงเข้าสู่ความจริงนี้เป็นเป็นเรื่องของปัญญานำมาใช้นะนํามาพิจารณา ทุกเวทนาเกิดขึ้นในกายก็เป็นเวทนาของมันเต็มตัวไม่ใช่กายกายก็เป็นกายเต็มตัวไม่ใช่เวทนาจะเป็นทุเนกเวทนาทุกเวทนาเฉยก็ อ, อุเบกขาเวทนาก็ตามมันก็เป็นเวทนาทั้งสามอยู่โดยตนกายของเราก็เป็นกายดโดยตรงมาถือว่าเป็นเราเป็นขเรามาถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรพูดถึงหนึ่งเวทนาทางกายสองเวทนาทางจิต เป็นสิ่งที่ละเอียดมากย่อมมีเสมอไปหาดไม่ได้แสดงความดุนแรงเหมือนทุกเหมือนเวทนาทางกายเช่นทุกเวทนาเป็นต้นหรือเมื่อมันหมดปัญหาทางร่างกายมันก็รู้ในตัวเองไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าจะพิจารณาอะไรต่อไปนี้เมื่อมันหมดปัญหามันก็ปล่อยเขาไปเพราะมันรู้เมื่อรู้แล้วก็ ก็ปล่อยองปล่อยเอแล้วก็หมดปัญหาไม่พิจาจรณาสิ่งใดที่จิตมีความสัมผัสสัมพันอยู่จิตก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์เช่นเวทันาอีกขันญาทั้งขานุญญ่ทั้งขานก็บุญญาหนึ่งาาสาคัญ <c oughs> เพราะอย่างวิญญาัญญามันหมายถึงอย่างซึ้นมากทีเดียวแต่ยังไงก็ตามในอาการทั้งห้นี้เราจะจับจิตใดก็ ก็ถูกด้วยกันทั้งนั้นมันรูปราหมาห์กันหมดเชื่อมโยงไปถึงกันทั้งขานความคิดตุงทิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าคิดดีคิดชั่วทิดเรื่องอดีตอนาคตมันก็ปรากฏขึ้นในความคิดที่เป็นตัวปัจจุบันเกิดที่ตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นนั้ น, เ, นเป็นสัตวเป็นบุคคลที่ไหนเพียงความแยบแยบของจิตที่สแสดงตัวหรือกระเพื่อมตัวออกมาเท่านั้นมันเป็นสัตวเป็นบุคคลได้แล้วเหรอ มันไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นสังขารคือความปรุงความกระเพื่องของจิตสังขารทั้งยาความจำได้ความจำนั่นหรือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราความจำมันเพียงจำแล้วมันดับมันเข้ามันไปมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้อย่างไรมันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นที่แสดงมาจากจิตแล้วก็ดับนล้วกดับดับอะไรเวลาค้นหาตัวจริงจิงมันไม่มีครว่สัตว์ว่าบุคคลว่าเราว่าเขา มีเป็นความเจตจำนงตัญงย่ญญของโลกสมงมุิซึ่งได้มาจากพิเรศเป็นผู้มอบให้ผู้ในงางแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของมันตาน่างๆนจึงถือว่าเป็นของจริงของจังทั้ ง, ท, งที่มันปลอมร้อเปเซก็ถือว่าเป็นของจริงร้อยเปซนตเพราะความเชื่อพิเรศร้อเปอร์นั่นเอ ง, องเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามของจริงแล้วเรื่องของ ปลอมๆทั้งหลายนั้นมันก็ค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งไม่มีกับอาการทั้งห้านี่พับแต่ว่าอาการเหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกว่าขันไม่ใช่จีบจีบไม่ใช่ขันนันก็รวมตัวลงไปรวมตัวลงไปกัรโรคกิเลสการากฟาดันหันแหนกกับกิเลสกิเลสไปหลบมันทุ่มซ่อนอยู่ที่ไหน มันยึดมันถือที่ตรงไหนปัญญาฟาดปันแเนี่ยเขาไประจุมันต้นเห็นข้อแท้จริงของกันและกันแล้วมันก็ปล่อยกันเอนได้จะพิจารณาไปเลยอีกอันไหนที่ยังเป็นปัญหาจิตกับจิตกโดยสัมปัดสัมพันธ์ให้สนใจในสิ่งนั้นพิจารณาไปจนกระทั่งหมดปัญหาเช่นเดียวกันงูประคังเป็นของหยาก ปัญญาขั้นนี้ก็รอบตัวพอแล้วปล่อยด้วยแล้วนิยาสังขารมิญญ า, า, า, าเป็นของละเอียดปัญญาขั้นที่เหมาะสมกันก็ยังหนึ่งที่ต้องพิจรณาให้ด้วยเห็นสิ่ง น, นี้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรกันมพื่อมาสร้างถึงข้าสู่ความจริงด้วยกันรูก้กษัติย์แต่วรู้เวทนาสัญญาสังขารมิญญ า, าแต่และอย่างอย่างชัดแต่เวทนาสัญญาสังขารมิญญ า, าเท่า น, นั้นหาในเป็นศัิรุคนเป็นเขาเป็นเราเป็นหมีมีขาที่ไหนไม่นะมันก็รู้ได้ชัดนี่เมื่อรู้ได้ชัดก็จะว่าจริงจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ ถูกรลบลางแล้วด้วยปัญญาปัญญาธรรมสติธรรมเนี่ยละต้อนเข้าไปวิริยะถูกต้อ น, นถูกต้อนด้วยธรรมเหมือนไปหลบท่อนอยูที่รูปตีแตกกระจายออกจากรูปทั้งเสียรลบซ่อนทางเวทนาทางญาทางขันธ์ออย่างก็ตีเข้าไปตีเข้าไปจนแตกกระจายหายสงสัยในเวทนาในขันธ์ญาในสังธขานธ์อีกอย่างว่เาเป็นเราเป็นของเราเป็นจัดเป็นหมู่คน จงกระทั่งไม่มีที่ไปเพราะถูกตัดสะทานที่เชื่อมโยงกันเข้าไปโดยลาดับลาดับแล้วหลือแต่ความรู้กับส่วนละเอียดนั่นหละที่อวิชชาปยาสร้างข่ารลาหมดแล้วบริษัทบริวารที่เคยใช้สอยกันมาเคยเรืองอำนาจบังคับบัญชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ อนอำนาจของตนก็หมดอำนาจไปหมดแล้วเพราะถูกตัดขาดบานฟันหงานนจากสติปัญญาสตาคความเพีย่ยนยังเหลือโดดเดี่ยวยู่ภายในจิตมันก็มาพิจารณาในลักษณะเดียวกันถึงปัญญาขั้นนี้แล้วมันเป็นน้ำซับน้ำขึนในคำว่าขี้เกียจขีค้านั่นมันหมดมาตั้งแต่น้นแล้วตั้งแต่พิจารณาร่างกาย เนื้อจู้จี้<ๆ>เห็นจกับส่วนนั่งกายและประลุมบอนันเข้าไปจนแหลกแตกกระจายไป น, นั่นตั้งแต่นั้นน่ะเรื่องความเพียรเป็นอัตโนมัติมาโดยลำดับจากโน้นมาไม่มีคําว่าหยุดปราถอยไม่มีคําว่าทอแท้อ่อนเดรไม่มีคําว่าขี้เกียจขี้ค้านมีแต่วความหมุงตัวเป็นเกลียวตวลอบเวลาเป็นธรรมจักรอยู่ภายในจิตหมุงออกกิริยาใดอาการใดแสดงออกอาการใดมีแต่อาการที่จะ ต่อผู้ธาตุปันแ่งแดกกับทีเดชทั้งมดที่นี่นีอาการของจิตที่สแสดงออกคือปัญญานี่ก็เป็นอาการของจิตแต่พลิกมาเป็นทั้งอาการของจิตโดยธรรมด้วยธรรมคือสติปัญญาเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนอันนี้เป็นเป็นอาการของจิตเพื่อถอดเพื่อถอนอาการของจิตประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคิดปรุงไปในแง่ใดาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสบ่งการให้คิดให้ปรุง เมื่อหม ด, หมดสิ่งนี้แล้วมันก็ลวงตัวเข้าไปบ่งการประคิดอะไรอีกไม่มีทางบ่งการ่างไปเพราะปัญญารอบหมดแล้วมีแต่ปหาแต่เรื่องของจิตจิตนั่นถ้าลงเนะี่ยวิเศษเมียงิชาเป็นต้นได้กลมตืน่นที่แทรกสิงอยู่ภนยในแล้วมันจะเป็นจิตที่บริสุทิ์ได้อย่างไร ถ้าเป็นอาหารก็มีทั้งตระดกทั้งก้างควรจะ ก, การรับทานโดยชิมเช่เนนั่นเหลอะนะถ้าเราจะถือเอาทั้งกิตนี้ว่าเป็นเราก็เหมือนกินไก่แล้วกินปลาทั้งกระดกทั้งก้างนี่นแหละงั้วปิดคอตายกินได้ท้าก็รู้ว่าก้างเกิดบมันออกกระดูกรู้ว่ากระดูก อามันออกมีเป็นเนื้อหนุนล้วนมี่ิเลสเ อ, าอาวิชามอยู่ด้วยกันนีิจะนาฟาดลงไปนั้นเคี่ยวให้เหลกแตกกระจายลงในจิตตวิชานั้นด้วยปัญญาะเมียว่าเคี่ยวให้เลยเคี่ยวลงไปตรงนั้นหกลงไปเคี่ยวลงไปเป็นแหลก อ, อวิชชาแตกกระจายไปนั่นมีอะไรเข้าครองผิดที่ไห แดนสมมติทั้งวล น, นี้ได้แตกกระจายประจักษ์จิตแล้วแม่รู้อยู่ก็ตามทิศไม่ได้รู้แบบวัตจักรวัตจิตที่มาหมุนจิตให้เป็นไปเป็นธรรมจักรแน่จรรู้หมดโดยชิ่เนเชิงในแดนสมมุตินี่จะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเป็นความคิดของจิตยอะแยะแต่ละขณะขณะเท่านั้นเนื่องจากไม่มีชื้ออยู่ภายในนี้ให้เป็นสมมติ เกี่ยวโยงกันไปสิงสิ่งภายนอกเลยเพมันก็เข้ากันไม่ติดระหว่างวิมุตต์กับสมมุตต์ก็แยกกันที่ตรงนี้เดีว่ามีก่อนเราไปให้ความหมายเราต่งหาแล้วเราก็ไม่หลงถ้าให้ชื่อให้นามพระตัางหากว่าสิ่ง น, นั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้เขาเองเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเองเป็นผู้ไปคิดไปปรุงเขาก็รู้เราอยู่แล้วว่าเราคิดปรุงสิ่งนั้นนี้นั้ น, นตามสมมติโยมเขาตัวเองก็ไม่หลง ถ้าไม่มีสิ่งให้หลงอยู่ภายในใจถ้ามีมีสิ่งให้ปิดให้ห้องอยู่ภายในใจคิดเรื่องอะไรก็ไม่ติดรูปเสียงกลินนดเครื่องสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์กันทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นรูปเสียงกิ่นรถมันก็เป็นปาหูจมูรลิ้นกายอยู่ด้วยดีมันก็เป็นจิตอยู่โด้วยดีมันไม่ได้เป็นอื่นเป็นใดไปให้สำรวจเสด็จสารต่อไปอีกเรียกว่าหมดชื้อทิ้งการแก้ที่เหลือยากหรือไม่ยากให้พากันพิจารณา ให้มุ่งผลอันประเสริฐเลิเล่อเรอนั้นเป็นของสงคัญไม่มีความทุกข์ใดที่จะยิ่งกว่าความอยู่ตามหน้าของกิเลสที่บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาอย่อบทที่ว่างที่ปลดว่กันไม่ได้เลยนี่เลยเรื่องความทุกขนะ์นีทุกข์มากทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ไม่มีหยุดมีถอยเล้วมากขนาดไหนนับได้เมื่อไหร่เฮ้ยพะ จิตอิสระตัวออกไปจากนี้แล้วไม่มีอะไรจะเป็นอิสระยิ่งกว่าจิตที่ผ่านพ้นแล้วจากกิเลสวัตถุนถึงจะมีขันธ์กลางอยู่ก็รู้ว่าทุกข์หิวก็รู้ว่าหิวจะหายรู้ว่าจะหายเจ็บนั้นปวดนี้ก็รู้สักแต่ว่ารู้อิเหล่า น, นี้ไม่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนเลยเป็นอิสระตาย ต, ายตัวอยู่เช่นนั้นนี่คือผลแห่งการพิจารณาเหมือผลแห่งการต่อสู้กับกิเลสยากกับ ง, ง่าย เพงไรพอตามเมื่อเวลาเป็นผลความทุกข์ทั้งมวลนั้นกลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีกําลังมังชาจนไม่สามารถสลัดตัว อ, อกจากที่เดชนาสวาททั้งมวลได้โดยที่งเชื่อไม่มีเดือเนี่ยฉันหวัานนิพพานังปรมังสุขขงังทั้งที่ปรมังอะไรจะมีปรมังนอกจากนิพพานทน่านไม่มีอะไรปรมังนอกจากความพ้นจากที่เดชนาสวาทโดยประการทั้งมวลทั้งบวงแล้วไม่มีอะไรเป็นปรมัง กิเลสไม่เคยมีปรมังนอกจากปรมังทุกขังเท่านั้นอืทุกแสนสาหัสทุกอย่างยิ่ถยงถบิดาหน้าของกิเลสแล้วเป็นทุกตั้งแต่ส่วนร้อยถึงทุกอย่างยิ่งไม่มีอะไรเทียบอเมื่อท่าจิตออกจากกิเลสโดยประการทั้งพวงแล้วปรมังสุก ข, ขังไม่มีอะไรสุขใดที่จะเกินสุขที่พ้นบุดพ้นจากกิเลสนี้ไปได้เลยความทุ๊บทั้งมวลก็ การมาเป็นปุ๋ยสนับสนุนให้จิตได้หลุดพ้นแล้วเป็นความแคหาที่ตรงไหนเราจรึงได้อิจะจะต้องไปอิจหาละอาตายละอาใจต่อการประกอบความภาคเพียรโดยเห็นว่าเป็นทุกข์แลนอนตัวอยู่กับกิเลสมาเป็นานานเท่าไหร่เราทำไมไม่เอามาคิดบวกโรกคูนหารกันบ้างเกิดภพได้ชาติใดจมอยู่กับความ ท, าทุกข์ทั้งมวลมันมันมีมากมีน้อยอย่างไรขณะที่จะประกอบความภาคเพียรแต่ละขณะขนาดแต่เวลาใวลาเพื่อถอดถอนกิเลสให้หลุดพ้น ไปจากจิตใจเพื่อเอาปรมังสุขขังทำไมจะเห็นว่าเป็นของยากของลำบากถ้าไม่จะถูกกล่อมจากทิเดศอย่างแนบสนิทแล้วเท่านั้น<ม>ให้นำํำมาพิจารนาทเทียบเคียงให้ได้สัดดยส่วนสําหรับผู้ปฏิบตัติไม่ได้ปฏิบตัติเพื่อโง่ต่อทิเดศเราปฏิบัติเพื่อฉลาดเพื่อจะตัดฟันหันแหลกต่อทิเดศให้จีบ้าอหน้าของเรานี้ต่งหากไม่ใช่ว่าจะเราปฏิบัติเพื่อให้ทิเดศเป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าหลอกลว ง, ต, งต้มสุขเราอยู่ตลอกเวลาโง่กับทิเดศเราเคยโง่ามานานแล้ว คราวนี้เอาให้ฉนาดให้ทันกิเลสให้เหนือกิเลสด้วยอำนาจอาาของธรรมมีธรรมเท่านั้นที่กิเลสยอมรับมาแหลมคมจริงเมีอำนาจจริงตกิเลสได้ดีได้จริงนอนเท่านั้นกิเลสไม่ตัวเท่านั้นจริงต้องนำธรรมเข้ามาทีนี้พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามนี้เราจะได้เป็นสุขทีนี้สุขตลอดไป ไม่มีการนั่นการมีความทุกข์ความลําบากในการพักผ่อนความเพียรความเพ่เปลี่ยนนั่นเป็นการเปลี่ยนเวลามีช้าบ้างเร็วบ้างมันก็มีเวลาที่จะจบสิ้นกันตรงได้ทุกเพียนเท่านั้นจะเป็นไงไปในทุกที่จมอยู่กับยิ่งเรสไม่มีรั้นเวลาเนี่เอามาเทียบกันดูสิอันไหนมีน้ําหนักมากอันไหนที่น่ากลัวที่สุดทุกที่จมอยู่กับยิ่งเรศนั่นแหละคือเป็นทุกที่น่ากลัวที่สุดจนหาเวลา ที่จะหลุดพ้นตัวไปไม่ได้เลยแต่ทุกทุประการประกอบความเพียรที่จะฆ่าิชียิตนี้มีเวลาเวลาที่จะผ่านพ้นไปได้มีเวลาที่จะดับที่ยุติการไดไ้หลักสติปัฏฐานสี่ท่านกระพูดไว้แล้วก็ผู้ ด, ดําเนินตามหลักสติปัฏฐานสี่นี้ย่างช้าไม่เลยเจ็ดปีสําเร็จไม่โสดาสกิท า, าอะไรธนาคารต้องอะไ ร, รด้วยเจ็ดปีเจ็ดเดือนลงมาถึ ง, งเจ็ดปันแล้วโดยลำํำดับ ตามความค่าเรอของแต่อุปณิสัยของแต่ละผู้มีความสามารถมากน้อยต่างกันถ้าไม่ได้ว่ามีระดับเจริญเศรัฐฐานแล้วจะนอนจมกับทิเหลวมีถึงจะว่าคนที่ไม่เจริญทำไม่ภาว น, นานั่นแหละคือผู้นอนจมกับทิเหลวต่างหากท่านไม่ได้บอกว่าผู้จเจริญเศรษฐฐานสิ่งีแล้วนอนจมกับวิเหลวด้วยกไปท่านไม่ได้เราเปนนักปฏิบัติต้องคิดต้องแยกต้องแยกอยูอย่ง ไ, งไม่งั้นไม่ทัน กลมายาของกิเลสคือมันหลอกลวงอยู่ตลอดทุกขณะที่แยบออกมามีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอนทั้งนั้นพร้อมทั้งเพริ่มพอมทั้งถือขอให้รู้คนมันเถอะจะรู้ทุกระยะนึ่นมันแสดงออกอย่างไงอย่างไรมายาของกิแต่เมื่อรู้จริงจรงจนกระทั่งป ร, ราบมันให้เรียบพูดไปเข้าใจแล้วมันไม่มีกิเลสตัวเองมาแสดงแล้วพูดทั้งนี้พูดถึงเรื่องมันแสดงออกจากผู้ใดรู้แล้วต้องรู้หลอกต้อรู้รลอก ปริญญาปริญญาก็แปลว่าความรู้รอบคืออย่างประเดียนประเดียนนี่ก็เหมือนกันประเรียนก็ปริญญาคือรู้รอบมันรู้รอบทางความจําให้รู้รอบทางทางความจริงมันรู้รอบจิตแล้วเป็นยังไงปริญญานี้ก็ปริญญานั้นเป็นอยังไต่างนังไปริญญานี้เป็นปัญญาเอิดมีอันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งปริญญาเอิดจิตเป็นเอิด เอกระจิตเอกระทำเป็นอันเดียวกันแล้วหาธรรมที่ไหนจริงหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ที่ไหนหาพระสงฆ์ที่ไหนหลักธรรมชาติแท้ๆลงในจุดเดียวกันไม่สงสัยในจิตของเราแล้วจะสงสัยในพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนกันเพราะเป็นความจริงอันเดียวกันเท่ากันไม่มีคําว่ายิ่งย่อนกันยอมรับอันนี้เต็มร้อยเปอเซ็นต์ยอมรับพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์ร้อยเปเซ็นต์เท่านั้นเอง มีอะไรที่จะสงสัยมีอาการประพฤติปฏิบัติเวาผลปรากฏขึ้นมาในครั้งสุดท้ายเป็นอย่างนี้<ม>ทุกทเยียบขามก็ไม่มีอนี่ยทุนเมื่อที่เด็ดมันตายไปแล้วไม่มีอะไรจะมาสร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจของคนของสัตวนี<ม>้ก็จะมีแต่เพียงร่างกายที่กระดุบ ก, กระดิดที่ยังต่อเนื่องกันอยู่ปัจจัยเครื่องอาศัยมันยังสืบเนื่องกันอยู่มันก็มีอาการเป็นธรรมนา มีหิวมีกระหายอยากหลับอยากนอนเป็นธรรมนัตินต่ไม่เห็นมีความหมายอะไรที่จะทำให้จิตใจกับเพื่อมรู้วันไห ล, หลไปตามจึงต่างอันต่างกินอาาพอทุกส่วนอนนี้